การบวชท่านพุทธศาสนิกชนที่มีศีลจัดทางมีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้วันาวาเลนไทที่27มกราคมพุทธศักราช2550 เป็นวันที่ท่านตั้งใจระวัดเพื่อมาบำเป็นศาสนากิจที่อเสวนุสสดานพระอาหารจ์จต่างนานาสคุทตเจ้าที่เรกร้องกราบไหวู้ชามีความเขาลิกเรื่องสายสัทยาให้สอน ส, สอนให้ปฏิบัติ ให้มาทำบุญทำทานให้มารักษาศีให้มาปฏิบัติธรรมมาทำเพ่ทำธรรมเพราะจะเป็นเหตุที่จะนำมาสร้างความสุขความเจริความก้าวหน้าอย่างแท้จริงแก่ชีวิตผูกใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเพ่ทำธรรม เป็นการให้เราได้รู้ความจริงที่พวกเราไม่รู้กันเนื่องจากใจของพวกเรานั้นถูกอวิชชาความลืดบอดถูกความหลงครอบงำอยู่จึงทําให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกเบี้ยเห็สิ่งที่ไม่ไดีว่ามีเห็นสิ่งที่มีว่าไม่มี เช่นเนว่าบาปไม่มีดไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเพราะตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนตาของพระพุทธเจ้ า, าของพระอรหันต์ศาสนาโกทั้งหลายนั่นเองเราเป็นเหมื อ, อ, อ น, มนคนตาบอดเหมนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้นเป็นเหมนคนตาดี เึงแม้คนตาดีกขาจะพูดว่าดูอะไรที่ตรงไหนอย่างไรคนตาบอดคนตาบอดมองไปก็มองไม่เห็นเห็นแต่ความลึกดูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนตาบอดถ้าเป็นคนฉลาดก็จะต้องเชื่อคนตาดีเชื่อว่าคนตาดีเย่อมเห็นในสิ่งที่คนไม่รู้ไม่เห็น การคนจะคนตาบอดที่เป er ็นคนโน้เขาเบาปัญญาก็จะไม่เชื่อคนฉลาดจะเชื่อแต่ตนเองเชื่อในสิ่งที่ตนเองมองเห็นเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ตนเองมองไม่เห็นก็จะก็จะปฏิเสธว่าไม่มีเช่นพวกเรามองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์ถ้าเราเป็นคนโน้มเขาเบาปัญญาเราก็จะปฏิเสธว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มี มันไม่มีบบไม่มีทําไปแล้วไม่เกิปดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะทำไปแล้วก็สูงเมื่อตายไปแล้วก็สดร่างพานี้เมือม่อแตกบับไปแล้วชีวิตของเราก็สิ้นสุดสิ่งที่ตรงนั้นไม่เห็นันจะต้องไปทำบุญทําอะไรให้มันเสียเวลาเลยทําไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์นรกสวรรค์เป็นสิ่งที่เขสาสร้างเป็นนาฬอก ให้พวกเราทำความดีกันไปอย่างนั้นเองดูเป็นความคิดของคนโอกเข่าดาปัญญาแต่คงจรลานั้นเนื่องจากว่าตนเองยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือไม่ ก็ยังไม่กล้าปฏิเสธแล้วเมื่อได้ยินได้ทางจากผู้อื่นผู้ทีเมื่อก่อนนี้ก็มีความมืดบอดอนเหมือนกับตนแต่หลังจากที่น่าปฏิบัติตามก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างภายในใจจนเห็นได้ตามพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วแล้วก็มาประกาศมาสอนอ่อยจริง ก็ทําให้คนตาบอดที่ฉลาดนั้นต้องต้องคิดหนักจะปฏิเสธอะไรก็ไม่ได้เพราะตนเองยังไม่เห็นดังนั้นจึงคิดว่าลองเชื่อดูดีกว่าเ้ราะคนอื่นที่เขาตาบอดมาก่อนเขาเดี๋ยนี้เห็นแล้วเราตอนนี้เราตาบอดถ้าเราทําอย่างที่เขาทำ เราก็อาจจะฝ่าดูขึ้งมาได้อาจจะเห็นอย่างที่ก็เห็นก็ได้นี่เป็นลักษณะของคนตาบอดที่ฉลาดจะเป็นอย่างนั้นคือจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่คนตาดีพูดถึงแม้ตนเองมันมองไม่เห็นก็ตามแต่ถ้าได้ลองทําตามที่คนตาดีสอนให้ทําแล้วไม่ช้าก็เลยความมืด บ, บอดนั้นก็จะหายไปจากติดจใจ คามสว่างก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะทําให้สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาดีคนตาสว่างสามารถเห็นได้เมื่อเห็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสือกเสือใจเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเราทุกวันนี้ที่เรายังมีความเศร้าโศกเสียใจทุกใจ อย่ก็เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาโรกมองเห็นกันเราเห็นว่าเวลาที่คงกายจากเราไปแล้วเขาก็จากไปเลยเขาตายไปเลยเขาสูญหายไปเลยแต่เราไม่รู้ว่าอานารจริงนะเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราใส่เสื้อผ้า แล้วเสื้อผ้ามันเก่ามันขาดเราก็ไปหาซื้ อ, อเสื้อผ้าเสื้อผ้าใหม่มาใส่เสื้อผ้านี้เสื้อผ้านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงเสื้อผ้าที่เราเอาอมาใส่เท่านั้นเองทังนัร่างกายนี้ก็เป็นหนอนเสื้อผ้าส อ, อใจ ใจเอาร่างกายนี้มาใส่เอามาเป็นเครื่องมือเวลาใจจะทําอะไรใจต้องมาใส่เครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือก็ทําไม่ได้ต้องมีร่างกายอยากจะทำํำดีก็ต้องมีร่างกายพาไปจะทําบาป ก, ก็ต้องมีร่างกายพาให้ทําไปเมื่อทำํำไปแล้วผลก็ย้อนกลับมาสู่ที่ใจ ใจมีความสุขมีความเพลิดเพลนก็นๆๆอยู่ที่การกระทําของใจนั่นเองและเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายแตกดับไปใจก็ไม่ได้แตกดับไปกับร่างกายด้วยใจก็เป็นเหมือนร่างกายของเราเมื่อเสื้อผ้าขาดแล้วก็หาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น พระพิญญามาสั่งสอนพวกเราให้ไม่ให้หลงยึดติด ก, กับร่างกายว่าเป็นตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองมีใส่ก็ใส่ไปมีใช้ก็ใช้ไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะแตกจะดับก็ปล่อยมันไปเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจคือผู้รู้ผู้คิดในขณะนี้ผื้ฟังอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจใจรับฟังผ่านร่างกายผ่านเสียงที่เข้าใจจังสัดตัดผิวแล้วแฝงใจให้ใจิตให้ใจรับรู้ว่า ก, กำลังผื้อะไรยอยู่แล้วใ จ, จะคิดถามไปนี่คือใจไม่ใช่ร่างกายเป็นคนละเสียงกัน มนเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเครื่องโทรศัพท์มือถือกับคลื่นโทรศัพท์ที่เข้าไปในเครื่องนั้นเป็นคนละส่วนกันถ้าเครื่องโทรศัพท์เก่ามันเสียเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เราก็ยังสามารถรับคลื่นต่างๆคลื่นโทรศัพท์ได้ทันใด เมื่อร่างกายร่างนี้มันแตกดับไปแล้วจิตก็ไปหาร่างใหม่ต่อไปเท่านั้นเองไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าจะได้ร่างดีหรือไม่ดีกว่าเก่าก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้ถ้าถึงยาละของบุญจะแทง จะแสดงถงก็จะทำให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้เป็นเทพเป็นถงเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆหรือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ในภพหน้าต่อไปก็ได้ นี่เฐานะที่เกิดขึ้นจากการได้ทําบุญตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาที่บุญจะส่งผลเพื่อจะทําให้เราได้ไปได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าเก่าถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่ามีฐานะการเงินทองที่ดีกว่าเก่ามีสติปัญญา ที่เจราแล้มคมกว่ากับมีอนยุยาอยู่ยาวนานกว่าเก่ามีเป็นอนิสงส์ของดินที่เราได้ทำกัไนไว้เมื่อถึงเวลาของดินจะส่งผลก็จะเป็นเช่นนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเวลาของบาปจะส่งผลเมืม่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายในคุณในชั้นใดชั้นหนึ่ง ไปเกิดเป็นเดรัฉานบ้างเกิดเป็นเศษบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือไปตันรกบ้างนี่เป็นอนิสงส์ผลของการทำบาปเข่งฆ่าจัดตัดชีวิตลักทรัพย์ตะคุ้นจิตตะเีเพื่อตัดนรดเสียชื่อรายาเมาผมก็จะเป็นอย่างนั้น ไม่มีใครหาข้ามได้เพราะการกระทํานี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นเองเวลาเราปลูกต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งผลไม้ชนิดนั้นก็จะต้องเป็นผลที่ออกมาเช่นเราปลูกต้นเพื่อเรียนเมื่อถึงเวลาที่ต้นพืชเลี้ยงต้นไม้ที่เราปลูกจะออกผลให้ก็จะต้องออกเป็นผลพืชเรียนออกมา จะให้ออกเป็นสขนซงเป็นขนแตงโมไม่ได้เพราะเกิดคือการกระทําของเรานั้นเป็นอย่างนั้นทำดีทำบุญทำกุศลก็จะได้ได้ดีได้เกิได้เจริญได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทพได้เป็นพรได้เป็นพระอริยะเจ้าทําบาปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นผี นี่เป็นหลักแห่งกรรมเป็นกฎแห่งกรรมไม่มีใครที่จะมายักยงได้จะยักยงได้ก็ตอบเมื่อเราไม่กระทําอะไรเท่านั้นถ้าไม่กระทําอะไรก็จะไม่มีผลอะไรตามมาถ้าไม่ทําดุญไม่ทําบาปเลยก็จะไม่มีภพชาตามมา ก็มีพระพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันต์ท่นั้นที่สามารถจะละทั้งบาปละทั้งดุลได้คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นี้หลังจากที่บำเพ็ญบุญกุศลจนจิตใจสะอ า, าดโดยสุขัสจากความโลภความโกรธแล้วจิตใจนั้นก็จะไม่มีความอยากที่จะทําอะไรต่อไป เพราะมีความอิ่นมีความพออยู่ในตัวของตงนเองไม่หือไม่อยากไม่ต้องการอะไร<ม>ด้วยฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรต่อไป ไม่ต้องไปทงความดีเพราะทำไปก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรดีกว่าดีกว่าเดิมเหมือนจับน้าที่เป็นแก้วแล้วก็ให้เติมน้ำเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรน้าในแก้วก็จะมีแค่เพียงเต็มแก้วเท่านั้นไม่สามารถมีเพิ่มกว่านั้นไปได้เทเข้าไปน้ำมันก็ต้องล้นไหลออกมาฉะนั้นจิตใจของผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรม บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระ อ, อรหันต์แล้วจิตใจนั้นก็จะเป็นอื่นแต่เลื่อนประโลมเมสุ์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์มีแต่ความอิ่มไม่มีความหิวไม่มีควางกระหายเมื่อเป็นเนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทํำดีต่อไปส่วนบาปนั้นเดิมไม่รูก็ไม่ทําอยู่แล้วเพราะคนที่มีปัญญาย่อมรู้แก่ใจว่าเมื่อทําบาปแล้วนั้นเป็นอย่างไร แต่บุญนี้คนยังไม่รู้ที่ว่าจะต้องทำไปตลอดทำให้มากมากแต่หารู้ไมว่าบุญก็มีจุดจิ่งตัวงเหมือนกันเมื่อทำเป็นที่จนบุญมันเป็นเตีเ่องอยู่ในใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปกว่า น, นั้นได้เหมือนกับรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารจนท้องเต็ม เต็มแล้วจะรับประทานยังไงก็รับประทานเข้าไปไม่ได้อีกแล้วฉันใดก็ฉั น, น, นั้นยึดินจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันตานั้นที่จะละได้ทั้งบาปละได้ทั้งบุญคือไม่ทําอะไรต่อไปเมื่อไม่มีการกระทํากันไม่ว่าจะเป็นบาปหรือเป็นบุญแล้วผลของบาปและบุญคือการเกิดที่สูงที่ต่ำก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไป พระพุทธเจ้าและพระอาหารนอนหลังจากที่ร่างกายของท่านได้แากดับไปแล้วท่านก็ไม่ไปไหนแล้วท่านอยู่ในคันพานในจิตที่มีความอิ่มมีภามสุขเต็มที่แล้วนั่นเองและจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดอันตาัาจ ส่วนจิตของพวกเรานั้นยังไม่ถึงจุดนั้นยังต้องยังมีความหิวมีความกระหายอยู่เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ความหิวความกระหายความอยากของเราฉุาด拉พาให้เราไปทําบาป ท, ทากรรมถ้าเรายังอยากจะมีเงินมีทองเยังอยากจะมีความสุขจากสมบัติเข้าของเงินทองจากการเกิดลุ่เสียงจิมมโโตลดผลพระต่างๆ เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้การแสวงหาความสุขในแบบนี้เป็นเป็นไปในทางกระทำบาปคืออยากจะได้เงินทองมาก็อยากไปช่อโคงอย่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่นอยากจะทําอะไรเวลาใครทําอะไรให้เราโกรธก็ต้องขัดข้ามจิตใจอย่าไปอาฆาตไยาบาปอยาป่าไปฆ่าผู้ เพราะเป็นการกระทาที่จะพาให้เราต้องไปใช้เวงใช้กรรมตกนรกแบบไม่ดูความเพิ่มพลานามจิตใจถ้าเราสามารถหักห้ามจิตใจไม่ให้ทำบาปได้ ภพชาของเราต่อไปในข้างหน้าจะแตบบ่พบชาติที่ดีไปเรื่อยๆคือได้เกิดเป็นเทศบ้างเป็นคนบ้างเป็นมนุษย์บ้างสลับกันไปจนกว่าจิตของเราจะเป็นจะมีความอิ่มดุความสุเกเต็มที่แล้วจิตก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังกัน แต่และเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องออาไปปฏิบัติโดยเฉพาะ อ, อย่างยื่นความเห็นเราควร ม, มีความเห็นให้ถูกต้องพราะพรุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิก่ง ท, ทุกอย่างนั้นที่เราดูอยู่ที่เราเรียกว่าเป็นของเรานั้นมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงเชื่อระยะเวลาหนาึ่งเท่านั้นเอง เช่นร่างกายของเราก็เป็นของเราเพื่ระยะหนึ่งอายุ80 90ปีเราก็ต้องคืนเขาไปหรือไม่หรือไม่กนแม่งก็อาจจะ ต้องคืนเข้าไปก่อนก็ได้บางคนอายุเดียงหนึ่งวันก็ตายไปก็มีหนึ่งเดือนตายไปก็มีหนึ่งปีตายไปก็มียีิปีสาสิบปีสี่สิบปีตายไปก็มีไม่แน่นอนเรื่องอายุถ่ยของคนเราแต่เรื่องที่แน่นอนก็คือต้องคืนเข้าไปก่อน พวกเราทุกคนที่อยู่ในสารานี้สับวันนึงเราก็ต้องเคื่อนร่างกายนี้ไปสู่ดินงามดินใสผู้เป็นเจ้าของเดิมแต่ใจของเรานะั้นไม่ได้ไปกับร่างกายใจของเราก็จะไปตามดินตามกรรมต่อไปถ้าเราเชื่อพระุทธเจ้าแล้วเราทำแต่สิ่งที่ดีที่งามละเว้นจากการทำบาตททำกรรม เวลาร่างก า, า, ายแตบกบบไปเราก็จะได้ไปสู่ที่ดีูสู่สุขติ mm. นี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ล่านำมาสั่งสอนพวกเราผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบาททาัติตามก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีเช่นพาาาระอรหันต์ตรสรวกทั้งหลาย เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทงสั่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราท่านก็พยายามท่านก็พยายามปฏิบัติพยายามตัดความยึดติดในร่างกายในสิ่งสมบัติ ต, าต่างๆมีทัพยสมบัติเข้าของเองินทองเท่าไหร่ท่างก็สละให้ผู้อื่นแล้วก็ออกบวชอยู่แบบ นักบวชมีเพียงแต่ปัจจัยสี่ไว้คอยดูแลรักษาร่างกายทท้งนั้นส่วนจิตใจก็มีธรรมะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเพื่อจะได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวคอยฉุดากให้ไปทำดุนให้ไปทำบาปให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในทดน้อยในทุใหญ่ เมื่อสะสมบุมอนเทนบุญจนมีกำลังพอที่จะกํหลาดพอที่จะกําจัดความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงทั้งหลายความอยากงจจทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมา ใจก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปทุกกับการแก่การเกิบการตายการทัดพ่าจากกันเหมือนที่พวกเรากำลังทุกขันอยู่เวลาที่เราเสื่อเสียญาติพี่น้องคนที่เรารักใปเราร้องหร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หแลบบับ เพราะเรามีความหลงยึดติดอยู่ในร่างกายของคนนั้นว่าเป็นพี่น้องของเราเป็นญาติของเราแต่ความจริงแล้วเขาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้ม ไ, มไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยต่างกันตรงที่ร่างกายนี้มีใจมาครอบครองไว้เท่านั้นจึงทำให้ร่างกายนี้พูดได้ ฟังได้มีความรู้สึกได้จากผู้ที่พูดผู้ที่ฟังผู้ที่มีความรู้สึกนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นใจสั่งหาเพราะถ้าร่างกายไม่มีใจเมื่อไหร่แล้วร่างกายนั้นก็จะไม่รู้สึกอะไรจะฟังอะไรไม่ได้ยินจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นลองไปพูดกับคนตายดูลองไปสกิดร่างกายของคนตายดู เอาเข็มไปเจิมร่างกายของคนตายดูดูว่าร่างกายนั้นจะสะดุ้งขึ้นมาหรือไม่ร่างกายนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยเหมือนต้นไม้ต้นตอเหมือ น, นต้นไม้ต้นหนึ่งเอามีดไปฝันต้นไม้ต้นไม้ก็จะไม่ไม่มีอาการสะดุ้งต้นไม้ไม่มีความรับรู้นั่นเองเพราะผู้รับรู้ไม่มีในต้นไม้ฉบ ร่างกายของคนตายก็เหมือนต้นไม้เพราะไม่มีใจผู้รับรู้อยู่กับร่างกายนั้นแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ไม่เดียดร้อนอะไรจะเอาไปฝังก็ไม่เดียดร้อนจะเอาไปเผาก็ไม่เดียดร้อนเพราะใจผู้ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มาครอบครองนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้ครอบครองร่างกานร่างกายนั้นอีกแล้วจได้ออกเดินทาง ไปสู่ร่างใหม่ต่อไปจะได้ร่างอะไรก็ขึ้นอยู่กับดึงกับการที่ทำไว้นั่นเอง นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้กันแล้วให้พยายามสอนตัวเราเองไม่ให้หลงไม่ให้ยึดไม่ให้ติดไม่ต้องกลัวว่าร่างกายนี้จะเป็นอะไรไม่ต้องไปเสียดายมันถึงเวลามันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปแต่ขณะที่มันยังอยู่ก็ดูแลรักษามัน เพราะเรายังต้องมาใส้ร่างกายนี้มาช่วยใจให้หลุดพ้นจากความหลงให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากการยืนไหวต า, ายเกิดถ้าไม่มีร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถมาปรงเทศน์ทำธรรมได้ไม่สามารถทาบุญทาทานได้ไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ เราจึงต้องดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ดีเพื่อจะได้มาช่วยเหลือจิตใจให้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้หลดเพ้นจากการยืนย้ายกายเกิดอย่าเอาร่างกายนี้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีสาะที่ไร้สาระที่ไ ร, ไร้คุณไร้ประโยชน์เช่นไปสะสมรากเรื่องและเสริมสุขต่างกัน สิ่งอย่านี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราแต่ จ, จะทําให้เราหลงมากยิ่งขึ้นไปทําให้เรามีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปคนเราเวลาไม่มีเงินมีอทองนั้นมีความทุกข์น้อยกว่าคนมีเงินมีอทอง ถ้าคนมีเนมีทองแล้วจะต้องมีความกังวลมีความห่วงจะต้องดูแลจะต้องรักษาเวลาสูงเสียไปก็จะต้องทุกข์มากคนที่ไม่มีเันมีทองก็มไม่ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาคอยกังวล ไม่มีต้องมาร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเพราะไม่มีเงินที่จะเสียใจนั่นเองแต่เราคนที่มีนั้นกลับมีความทุกมากกว่าคนที่ไม่มียกเว้นคนที่มีอแล้วฉลาดคือมีแล้วไม่ยึดไม่ติดไม่หวงมีก็เอามาใช้มาทําให้เกิดคุณแก่ดประโยชน์มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําบุญทําทานมาช่วยให้ผู้อื่นได้มีอทางสุข ตอนเงก็จะมีทางสีอย่างนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์ถ้ารู้จักใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ย่งไม่ปิดก็รู้ว่าสักวันหนึ่งทรุดของเราก็จะต้องหมดขิ้นไปเงินทองเราหามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะกลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปแต่ถ้าเราเอามาใช้ทาบุญทำทานก่อน มันก็จะเป็นสมบัติของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวกับใจเราไปเมื่อเราไปเผยข้างหน้าเราก็จะได้ไปเกิดรวยกว่เก่าดีกว่เก่าเป็นเพราะบุญกุศลมือแหละเป็นตัวที่จะทําให้เราเรวยกว่เก่าและดีกว่เาเก่า mm hmm. ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามการปฏิบัติการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรก็อย่าหยุดอย่าติด เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากมันไปสิ่งไหนจนําเป็นจะต้องเก็บไว้ก็ต้องเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาชีวิตของเราส่วนที่ไม่มีความจำเป็นก็ อ, อย่าเก็บ ไ, ไว้ให้เป็นให้เป็นภาระทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์แล้วก็ทําให้เราเป็นคนไม่เป็นคนใจแคบขาดความเมตตา เราจะไม่มีความสุขกับทุกหบัติที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราเอาตปใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะมีความสุขอย่างวันนี้เราเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระเราก็มีความสุขมีความยินใจมีความติดติมีความภูมิใจในการกระทําความดีของเรา ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เราก็จะมีแต่ความอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปหรืออยากจะใช้เงินทองไปในทางที่ไม่มีประโยชน์ เป็นเอาไปเที่ยวอาไปซื้อของซุ้มรอยแล้วก็ทำให้เกิดความอยากได้เพิ่มซุ้มไปอีกก็ต้องไปเที่ยวอีกต้องไปซื้อเพิ่มมาอีกเที่ยวเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่เพิ่ไม่อิ่งไม่พอจนเงินทองไม่พอใจก็ต้องไปดิน้นรนกัดแกหงหาเงินหาทองเพื่อมาเที่ยวเพื่อมาซื้อของซุ้มรวย ต่างกับการทำบุญทำได้มากเท่าไหร่แล้วสุ่ใจจะมีความอิ่มมีความพอมากดูขึ้นไปท้งนั้นทำให้ไม่อยากจะได้อะไรอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านก็มีความสุข เป็นอันที่สองจากการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้ของคนอื่นให้เงนทางคนอื่นทําให้จิตใจของเรามีการอุ่มมีความสุขมีความพอทําให้เราไม่ต้องสู้ไม่ไม่กระหายไม่อยากกับการกระทาต่างๆไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากจะไปซื้อของซื่อเฟืองมาใช้ เพราะรู้ว่าของเหานั้นไม่มีประโยชน์กับจิตใจไม่ได้ให้ความอินไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจนั่นเองนคือสิ่งที่เราควรที่จะเชื่อเชื่อในสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้แม้กระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราสกวันหนึ่งเราก็ต้องคืน ให้กับโท้ของเดินคือให้กับดิน น, น้ำลมใสๆแล้วใจของเราก็จะต้องไปต่อเราจะไปดีไปสุดไปขึ้ก็ อ, อยู่ที่ว่าเราทำบุญหรือทำบาปไว้ถ้าเราทำบุญไว้รับรองได้ว่าเราจะไปดีถ้าเราทำบาปไว้เราจะไปไม่ดีจะไปสู่ความขึ้นสู่ความวุ่นวายใจเม่ อ, อเรามีทางเลือกคือทำดีหรือไม่ทํารือทำไม่ดี ยิดติดหรือไม่ยึนติดถ้าไม่ยึนไม่ติดเราก็จะสบายเวลาต้องคัดผ้าจากอะไรไปเราก็จะ ไ, ไม่ร้องหอบร้องไห้ไม่เศร้าสเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา พเราได้ว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราเรายืมของมาสักวันหนึ่งเจ้าของก็ต้องมาทวงคืนไปหรือเราต้องคืนเจ้าของไปก็มีพค่นั้นเองก็ไม่เห็นจะต้องมาร้องห่มล้องห้าเจ้าสุขเสียใจอะไรนี่คือะที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาตั้งเทศ่อมันทำ และมาปฏิบัติธรรมจิตใจของเราจะมีการพางย่อมเย็นเป็นสุดท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางเหตุการณ์ที่เลวร้ายดการจิตใจของเราจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นอย่างส ะ, ะดวกงสาดายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย สิงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติให้มากถ้าที่จะมากได้เพื่อประโยชน์ที่จะเป็นผลตามมาต่อไปงานแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้ขอขอสมควรที่ท่านเล่นนาประธรรมกรรมวินิจฉัยจงเป็นเอกเปกับใจ แต้ถ่ามีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยผูยน้น้าอม